นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทําธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่คยจะรู้จักว่าการทําสมาธินี่คือทําอย่างไรแน่เราทาให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้พุทธศาสนิกชนเราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้ม่ค่อจะรู้ เพราะว่ามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนงูอย่างนี้เอาจตงตั้งใจฟังต่อไปอการทำสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะอันเป็นธรรมที่มนุษย์ในเทวราทาั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิเลสมาตลอดทุกวันนี้ยังมีเชื่อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นแกนของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนํานักเรียนทำสมาธิ เรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก่อนนึกว่าทำเลยมทมเลยเข้าที่เลยหนึงให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึง่งรู้ไหมกายนี้กายกายคือก้อนมานั่งอย่างนี้นส่วนหนึ่งให้ความรู้ที่กายทรงไวในกายนี้ส่วนหนึ่งเท่านี้ข้อปฏิบัติของเรา บัดนี้สำหรับจิตของเราเนี่ควรฝึกเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตดังนั้นตาหูจมูกลิ้นตายใจสิ่งทั้งไหยมันรับรู้มันมันส่งมาถึงจิตจิตเป็นผู้ทำงานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่เขามาเวี่ยงให้หูฟังเสียงก็มาเวี่ยงให้จมูกพลมกลิ่นลิ้นรสโพตทปะก็มาเวี่ยงให้จิตเป็นผู้ทางาน ท่านั้นองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุม ง, งานทั้งกวงมันอยู่ทีจิตเราจิตของเรานี้ทําไมถึงจะทําเป็นสมาธิจิตของเรานี้มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะรวะว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเรือเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่หลายจิตหลายใจเราอารมณ์มันหลายอารมณ์ตั้งจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละ บางทีคิดเป็นโน้นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นก็นึกว่าหลายจิตร้ายใจอันนั้นเราพูดผิดเราเข้าใจผิดจิตใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่อเราแบกของหนักๆ ห, ห, หลายอย่างมาพะลวงพลังมันลาบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปทิ้งเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้น ต้องการในทิ้งอารมณ์ทางหลายที่มา พ, พันในจิตเราทุกอย่างวันนี้ถึงเอาแต่ ก, กายกับจิตที่มาฝึกฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทำให้จิตที่เรามีอยู่นี่ให้เกิดกำลังในส่วนทำจิตให้เกิดกำลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทำจิตให้มันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบ มีจะคิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีถึงมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดอันนั้นจะไม่ทางความผิดนั่นไม่ได้เพราะกำลังผิดแต่มันน้อยต้านทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เหลืออารมณ์อันเดียว มีอารมณ์มันเดียวเน่มันก็สนุกจากอารมณ์ในหลายอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจีของเรานี่อ่าการนั่งให้ตรงกรพับเพียบก็ตามนั่งให้สบายอืเอาทำนั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปเออนั่งกายให้ตรงนั่งกายให้ตรงนะถ้าให้นั่งให้เสมือข้าประธานดูข้าประธานข้างหน้าเหล่านั้น ท่านนั่งอย่างไรท่านก้งท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ดับตาจะไปมิ้มตาให้มันแรงนะดับพอพอสบายอย่าให้มันรำคาญวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่างให้คิดว่าเรานั่งในสารานี้เดยกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคน นั่งคนเดียวแคว่นวเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรต่งางๆนั่ น, นี่น่ะป่าเราจำความสงบไม่ต้องํำคาญกับคนอื่นคับ<ค>แล้วก็หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงดีแล้วไม่เห็นมันกระทบทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก้มเหมือนพระประธานพอดี แล้วก็ลมหายใจหายใจดูที่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจำกำหนดลมหายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปให้มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้นเอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่ง ตลนหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึนดึมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรงนั้นดูน้ี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไปตอนที่สองก็คือหัดหายใจหัวใจเรามันต้องผ่านมาหัวใจมีตอนที่สองนี่กลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือ นี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่สะดือให้กำหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนี่ต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่จมูกกำหนดสามการหนึ่งสองสามนี่ลมเข้าไปรวมออกหนึ่งสองสามพอจมูกกำหนดรู้ว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นกำหนดตามลมนี่ไป หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้เรียกว่าเรากําหนดลมหายใจคําว่ากําหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไปกลางลมอยู aman, ่ที่ฮะไทยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กําหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้ที่นี้ต่อไปนั้น ถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้ชัดเจนในความสงบนะมีสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามการนี่ตามสบายแล้วนะต่อไปทาําไงอันนี้ข่อที่สองต่อไปเห็นคำนดทีเดียวําหนดที่ปลายจมูกหรือที่ดึงที่ปากฝ่ยไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องวิ่งไปตามมัน นะ น, น, นี่นี่ตอนที่สองที่มันสงบที่ยวไอตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องตามมันไปยัางไางก็ได้จับอยู่เนี้ยรองอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปฟฟากอะไรมันออกไปไปตามมันได้ไอรู้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปกระชั้นมันไม่ต้องตามมันทีนี้สบายกาว่าเก่าทีนี้มันงานนี้ละเอียดกว่กาเก่าแล้วไอจ้องอยู่ตรงนี้พอแต่รู้สึกมีสติสติคือความระลึกได้อยู่ ทำปัจฉัญญาความรู้ตัวอยู่เดียวนี้เราทําอะไรอยู่เดียวนี้ลวมเข้าเรารู้ไหมรวมออกเรารู้ไหมมีสติระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่ตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกกับกาหนดมันตรงนี้ไอความคิดว่าทําอะไรอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นก็อย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อยา่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไม่ทําอย่างนี้เมื่อมันคิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้ ไม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้การงานในเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะรงจะเข้าออกเท่านั้นเรียกปล่อยให้สบายสั่งทำอะไรแนะต่อไปนี้ทําเลยจะอธิบายไปสักหน่อยฟังฟังไปด้วยแนะนําฟังไปด้วยทําไปด้วยอะทําเลย น, นั่งให้สบายเห็นมันตรงเห็มันกดอะไรวะอัในใหนึ่งจะ้ะเงียบๆเอาคำนดเลยหนึ่ง สองสามให้กำหนดดมเฉยเฉยเสียก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าอ่าขานาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกะับกระดิตของเราเหมือนกับเราฝึกเหยิบจักรใหม่ๆไม่ต้องหยิบท้าเอาท้าระหยิบจักเปล่าๆเฉยเฉยก่อนมันคล่องตัวเสียก่อน นี่เรากหายใจเฉยๆเฉยๆก่ อ, อ, อ, อ, อนี่มันต้องตัวก่วอนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วก็เอาสติมาวางลงตามลมใต้จมูกนี้อาตชัยจะดือ้อจะดืออัตชัยจมูกรื่อยไปจนมันตั้งตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักรลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นก็พ อ, พอแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นวันนี้ให้ทํางานอย่างเดียวตัวเนี้ย ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องไปต้งคิดไปถึงการงานทุก อ, อย่างทิ่งมันหมดเจะาว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมาประจังมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะทําเท่านี้วันนี้ออกเรียนทํากันไปเรื่อยเรื่อยี่ยไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยให้สะดวกเดีวเงียบกำหนดความรู้ไว้เฉพาะริมฝีปาก ในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไวเอาเตรียมทำในเต็มที่นะออนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือมาเห็นทุกนี่แหละคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้เราอมทุกไว้ไม่เห็นมัน ถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วกตกทิศครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปสุเกิด ข, ขึ้นมาเราก็ประมาทกันแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็กคลิกไปครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์กันยังเย่อยๆยมันถึงอย่างนี้ยถ้านั่งพุบลงไปละ่ะทุกอินดิยาบทนี้มันบังทุกข์ การนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเดี๋ยมันบังทุกข์ไว้เดินเกินไปใดมันทุกข์ก็หยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกข์แล้วก็ดุกขึ้นมามันก็หายทุกข์มันก็มีสุขเดี๋ยมานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกข์อีกก็ดุกข้นมามนก็ทุกข์ก็หายไกข้นนนข้ไปอีกมันก็ทุกข์ก็หายไปดิกข้างนู้นคึ้นนี่ยปกันก็นทุกข์มันก็มีอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ลำคาญิ้กดุกเดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกกอีก แล้วก็หยุ์อีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทางหลายเหล่านี้เนี่ยมันปิดทุกไว้ที่พวกเราทางหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกขนาดทุกขนาดนี้เขายังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้อิทธิยาบทมันบังทุกไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้พอเราบังคับเปลี่ยนมันซะมันก็มีแต่สุขแล้ก็เพลอไปไม่มีทุกขอะไรนี่อันนี้มันบังไว้ เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกข์เราก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาก็เพลินไปอีกเมื่อนั่งเป็นานทุกข์เกิดขึ้นมาก็พลิกอีกอย่งนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็เพลินเรื่อยไ ป, ไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้คนดื่มตัวเหมือนกันกับความหนุ่ม มันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆเกิดขึ้นมาก่อ น, นึกไม่นึกว่าเราแก่ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี้่มื่อเรามองมาเห็นก็อยู่เป็นนานๆทีมจะโผล่ขึ้นมาเห็นแล้วเนี่ยใจกระเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นดนอย่างนี้เรามาเห็นอันนี้พูดถึงริงมันบงังอันนี้จะพูดถึงการทําสมาธิอันนี้ มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ให้ตามสบายตามวิทยาบทมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำหรอสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างเอมันเป็นใจอย่างนี้ได้ การทำสมาธิมันก็ให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในานา้ําเมื่อเราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียก ต, ตะกายไปหานา้ําเพราะมันเคยอยู่ในานา้ําก็เราปล่อยร่างกายได้ให้ตามสบายตามอริธียาบทมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาจินะเป็นนอนเป็นนี่สารพัดอย่างนี่ อมันเป็นใจอย่างนี้ได้การทําสมาธินี่แหละท่านเรียกว่าทำํำจิตของเราให้มีกําลังที่ท่านทําฌานทําสมาบัติก็ทํารูปนี้เป็นเบื้องแรกมันจนจิตของท่านมันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียวนั้นไม่กี่ชั่วโมงได้มันจะเป็นยังไงเรานั่งขนาดนี้แล้วก็ยังมันยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างนี้ ถ้าว่าเรานั่งเป็นนานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่เนี่ยมีความรู้อยู่แต่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งประเดียวประเดานี่ทุกมันกวนเราเรือเกินถ้าดันนั่งไปได้ตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงทุกไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี้เราคํานวณเอะไรแต่เรานั่งประมาณเท่าไรเนี่ยไม่ถึงสามสิบนาทีมั่งเนี่ยขอแขกขอแขกขอแขกขอแขกร้านเนี่ยมันเป็นยังไง ก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ยทุกมันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้วยจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกรู้สึกอารมณ์ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงจริงจิตนี่มันคืออะไร จิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหม <4. S 1> แต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทางปวงจิตนะทัศนคิจิ ต, ตเป็นนั้นถ้าจะถามเข้าไปจริงจิตนี้มันคืออะไรจิต น, นี้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้น มันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วในผู้รู้สึกนั่นมันมีอะไรบ้างมันไปเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แนี่ยมันทําให้พอลำมันมันมันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามอารมณ์ในประโดงบ้านเท่านั้นเนี่ยใก็ทิ้งการเรียนเท่านั้นเนี่นะในอารมณ์ที่ชอบใจก็วิ่งไปตามอารมณ์โดยกระเริดเปิดเปิเปงไปงเลยไหนๆาก็ม า, มาดูหนังสือก็มตีตาตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ ไอตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้แง่นอนก็ห้านอนเท่านั้นแหละแง่มันจะได้เรื่องอะไรจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบั่งสิเอามาไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไรมันก็เห็นเฉยๆเท่านั้นมันจะมีปัญญาทีตาหรือเอาหนังสือมาจ่อกระตาเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเพลินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานปรว่าทีหนึ่งมันจะไปสอกอะไรได้ทีหนึ่งทีสองก็เถอะละ น, นึกว่าเรามันบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยดียังไงกัดนะแต่ต้องไปหาดวงตานวงดวงไปผูกดวงมันเป็นยังไนอย่างงี้ชั้นดวงไม่ดีอะไรน่นบา่บา่บา่ไปไงก็เราตั้งสติไม่ดีตั้งใจไม่ดีมันจะดีที่ตรงไหนแล้วดวงที่ไหนมันจะดีกว่าความดีไปได้ไม่มีไหมมันก็เพ้อฝันกันไปอย่างนั้นเนี่ย เมื่อหากว่าจิตนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากจิตนี้มันสามารถฆ่าตัวตายได้เอาตนพ้นจากอันตรายได้น่าจะดูอย่างสัตว์ป่าที่อย่างมันในเชื่องเราเช่นไก่ป่ามันกลัวมากที่สุดนะถ้าเราไปตะคุบจับมันมาได้เอามาดูหน้าดูตาเท่านั้นเนี่ยตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่น่ะลักษณะจิตไรนี่มันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ย เมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้ำตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้ำตามันก็ไหลอุยใช่ไหมคือมันมาอยู่สภาพอันพอดีฉะนั้นทำอย่างนี้เนี่ยว่าทาจิตให้มีกาลังจิตที่มีกำลังจิตต้องถูกหยุดจากอารมณ์เงียบสงบอยู่นี่จิตทำกำลังให้มีกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่าง อ, อันนั้นทาลายจิตเจ้าของมาให้มีกาลัง เมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทําทการงานอันนี้ก็ทําการงานอันนี้มนเมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทําอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้วเนวะลานี้เราทําอันนี้อยู่มันก็อยู่กับ ก, กรารงานอันนี้เมื่อเราเลิอกอันนี้เราก็เลิอกอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทําอย่างหนึ่งอยู่ได้ไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้ว นี่เราทําจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวละจิตนี้อืทุกอย่างท่านอี ก, กายทํากายให้มีกําลังนะไม่ต้องทําอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทํากายให้มีกําลังต้องทําอย่างนั้นท่านจิตให้มีกําลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรหุนวายเน่อยนะนั่นเะป็เสียคนเท่านั้นแหละนั่นเป็นเสียคน คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็วิ่งไปตามเราเนั้นเนี่ยทําจิตที่ไม่มีกําลังกายหนึ่งเราอาศัยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ถัววันนี้ทําจิตให้มีกําลังก็ทํากายให้มีกําลังเท่านั้นการงานของจิตนี่มันมากจะมากเหือเกินเลยมันทํางานในโลกนี่ทั้งหมดรอบตัวของมันเในตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทํางานอย่างเดียวที่สุดรับรอง แคนั้นพอจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอา น, นาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานมี่อนาปานสติที่ทําจิตให้สงบนี่มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทําจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุโทโธธรรมโอสังโฆบริกรรมก็ได้แต่ว่าอนาปานสตินี้มันสบายมาก เราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเนี่ยนั่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากำหนดดมทนานั่งในเก้าอี้ก็ได้กำหนดดมหายใจเข้าออกเจอกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกําลังมากอันนี้นี่ทาที่ไหนก็ได้ทําที่โรงเรียนเราว่างๆก็ได้สมาธินี่เป็นเดียวมันอยาเกิดเท่านั้นเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันจีบขัดไม่ได้ บางทีแล้วก็สะกดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันได้หลายคนเนี่ยมันลำคาญมันจะทํามานั่นไม่ได้แล้วก็แงหน้าออกไปกำหนดนั่นแหละทาสมาธิเลยเดี๋ยวกูคิดขึ้นมาได้แล้วนั่นเขียนเนี่ยอ่อย่างกำหนดอย่างเดียวกันนั่นแหละที่นี่ถภาว่าเราเป็นนักเรียนนเราประกอบสมาธินี่เข้าไปในยิ่งว่องไวเลยขณะที่เราติดปัญหาตอนแล้วกำหนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะ ดูธรรมดานาี่เนี่ยกำหนดให้มันซึ่งไปแล้วก็นั้นอีกมองเห็นก็ไปอีกอย่างนั้นนะอันนั้นเียวกว่าเราคิดคน้นมันฟูขึ้นมาอันนั้นเียวกว่าเราทําความรู้อันหนึง่งแต่เราไม่รู้หรอกเราทําความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ้าว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหานี้ได้อย่างเรานั่งยืนเฉยๆดูมันคิดไม่ออกเรากำหมดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกเลยว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีก ในทางพุทธศาสนารสร้างยานใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นแล้วก็มีเราปรากฏการณ์อยู่แต่เราไม่พิจรารณาหรือเราออกไปในที่บุ่นวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดมันก็คิดได้ง่ายเพราะคนไม่บุ่นวายนราจะทําเลขทําคิดเลขอะไรกลางๆมีคนเจ็ดห้าคนสิบคนพูดกันอะไรบุ่นวายอยู่คิดได้ไง่ายๆไหมถ้าเราออกไปข้างนอกแค่คลาสมัเงียบ ตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะฉนั้นสิล น, นี้ก็มีอาการอย่างนั้นคือทํากายจิตของเราไมา่มีความผิดไ ใ, ใ้เกือบแกงสงสังสยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในในกายวาจาเราแน่เป็นจิตมันก็สงบจิตไม่มีเรื่องอะไรจิตสบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยสมาธิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมต่อคนในอย่างเป็นสิ่งเป็นสมาธิเป็นปัญญา ถ้าว่าดอกกล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักท่เนี้ยสมตัวจริงแต่มันแต่พอมันทํางานรวมกันอย่างนี้ทํางานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ไม้เราสามไม้สามเศ้าอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้สามแต่ว่าเป็นสามตัจริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาตัจริงชื่อมันแต่ว่าสามอย่างนี้มาทํางานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมา เราจะเห็นว่าอันนี้มันทํางานร่วมกันอันเดียวนี้เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ศีลก็ช่วยกําลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกําลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกําลังหนึ่งมาทํางานร่วมแรงเดียวกันตรมเดียวก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่ามัคคะสามะคีคือความสามะคีเกิดขึ้นเมื่อรายเป็นต้นนั่นแหละการกัจจารู้ธรรมเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อเมื่อความสามะคีเกิดขึ้นมาก เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามัคคีกันเมื่อไรสบายเลยอย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนั่นนั่นเนีเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดทางมันจะสามัคคีกันเดยมันก็ไม่สงบเท่านั้นเนี่ยนี่เดีครูก็ดีนักเรียนก็ดีเป็นต้นให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันครูก็รู้จักหน้าที่ของครู นักเรียนกร็ดูจักหน้าที่ของนักเรียนต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็มันปันฉันนั้นการทําสมาธินี่มันการเป็นตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอะความดีทางหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสามีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้ เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ยมันรวมสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันแล้วร่างกายนี้ก็สดใสสบายนี่เพราะความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี้ไม่สามัคคีไปแล้วไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปสัดินมันมากไปสะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทําอะไรไม่สําเร็จขึ้นเหมือนกันกับมนุษย์เราทั้งหลายคนจากสี่คนนี้ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งซะ สิบคนนะสิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเท่ากำลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีมีคนห้าคนมีแต่บอกว่าเอา้าเอา้าแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าอา้อาอ้าหมดทั้งสิบคนลงกำลังเพียงห้าคนนั่นจะยกขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามากีกันอย่างนั้น ธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกก้าวกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายอันนี้ธรรมะประจําชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะทําอะไรก็ทําให้มันจริงๆมันถึงไม่เสียผลประโยชน์นะจะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายใครจะอะไรก็ทั้งมันเถอะเอาแต่ความรู้เราเท่านั้นแหละให้มันได้เถอะนีะ่ยครูก็เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรอื่น พยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจให้ข้ออัดต่างๆเป็นต้นตั้งอกตั้งใจครูก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังเท่านั้นเนีเ่ยลองซิทําให้ดีเลยไปทาดูเถอะโรงเรียนนาฬีเนี่นอลองสิมันก็ดีเท่านั้นเนีเ่ยไอความดีนี่นี่ยมันดีทุกคนมันก็น่ า, าไปพิจารณาวันนี้นะ ไอ้อความดีทุกคนต้องการความดีทุกคน <_ d iam ond> นักเรียนก็ต้องการความดีความรู้ <_ d iam ond> ครู ก, ก็ต้องการความดีความรู้นะ <_ d iam ond> แต่ความดีนั่นมันเกิดจากความสามัคคีถ้าสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะมันก็ดีเท่าไดมันก็ดีไม่ได้แท่านั้นเนีะนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ในหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้เน่ยนักเรียนก็ต้องพย า, าพยามรมพยายามธทม คารพในการเรียนครูกระตุ่คารบในการระเบียบปินายของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะมีคุณลพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่าดุรแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้ดุนแรงเกินไปให้มันพอเหมาะพอสมกัน นักเรียนก็เอาอำนาจเสมือกครูก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะคาราโบจานิวาโตจะสันติจากาตันยูตาครบไปบั่งอย่างคนแก่พูดผิดผิดถูกถูกก็ห้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วทำ ง, งานลรงหน้าลงหลังไปเก็ห้เถอะคนแกเ่เรารู้จักอย่างนั้นกำลังของคนแก่เพียงไรเราก็รู้จักกำลังของคนแก่ ขอนมวิ่งไปแปดกิโลจะให้คนแก่วิ่งไปได้แปดกิโลมันเปนมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนะให้รู้จักกําลังอย่างนี้หรือประการหนึ่งเช่นว่าถ้าหาวดีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบางเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมติใด้ฟังนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเตรียมที่แก่แกเป็นคนกินเหล้าแกเป็นคนกินเหล้าออืไปทีนี้ก็รอลเลยที่นั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยู่นั่นแหะ เราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นอะไรเอาไปฆ่าทิ้งเดีื อ, อนี่แล้วก็คิดยัง ม, มันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเล้าก็เรื่องของแกอืมก็ตามของแกเรื่องคุณของแกนี่นเลี่ยงเรามานทิ้งไม่ได้นือนกันแล้วต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเกา่าอันนี้เป็นทางดีที่สุดทีนี่เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเรา อย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียนครูก็เหมือนพอ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้ก็ือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้ผลงานที่จะเกิดขึ้นทีดีนั้นอันนี้ก็เพื่อรากเงาข้าวโมนมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงแ่้จะเป็นธรรมะเป็นต้ น, นีนเด็กศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรม ไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดละจะสิ่งที่มันไม่ดีถ้าหากว่าผลนที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วดนละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทำจิตใจขเขาให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอน ง, ง่ายให้สำลึกในตัว บ, บ่อย ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายกับมานั่งสมาธิเสียกราบพระแลไป น, นั่งสมาธิกำห น, นดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วกินไปเรียนไปสอนนักเรียนแบบจะเป็โรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามาไกลามากราบพระไฟก็ให้กราบพระตอนกลางคืนมาก็เห็เวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพู ด, ผ, ด, ผ, ดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหม เป็นด้วนคนอื่นนังเปลียดไหมอะไรไหมต้องมีสติสัพพัญญายควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผู้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันถึงดีได้ต้องรู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะธารมีธรรมะจริงๆได้มันไปในได้แร้วมันทําชั่วไม่ได้สถานที่ทําชั่วไม่มีสถานที่ทําผิดไม่มีเรื่องเรื่องธรรมะลราจะไปทําชั่วอยู่ที่ไหน คนทุกๆคนมันเจาะเห็นอย่างนี้นะเป็นหลบๆทำซะบางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรเนี้เป๊ะแบบทำซะขังๆบางทีคนมาเห็นเนี่ยแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ไปทําอะไรทําผิดๆเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทําความชั่วอย่างไรอย่างหนึ่งคิดอย่างนี้ อนนี้ไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทำํทำทาแล้วส่วนนึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนโง่เป็นอย่างนั้นทำไมคนจะไม่เห็นแล้วใครเป็นคนทำที่ที่ทำไม่ใช่คนเดือเราไม่ใช่คนเดือนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนไม่เห็นถ้าเราทำลบไปทําคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหม จะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าทำความชั่วในที่รับและที่แจ้งต่อหน้าหลับดังไม่เคยทั้งนั้นแหละที่ไหนมันรู้ทั้งนั้นเนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่เป็นนี้คือทำความผิดไม่ได้อันนี้คือมันกันฉันนั้นฉะนี้พวกเราทั้งหลายนั้นทุกๆคนนะถึงเป็นนักเรียนนะให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคน ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างอแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออย่างวันนั่นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายตมาเส้าท่านเรียนว่าจะทําทยังไงดูชายมัในใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้กว่าจริงแต่ความฉลาดไม่พออัตมาตอตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอายุ วัยเรายังไม่ครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่กอให้ทำเพียนไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปถ้ามนาร้อนบุกชายในใจร้อนมากจะทำยังไงดนะีแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอยาตามใจจะของเกินไปให้ระมัดระวังตัวแต่ว่าอายุมันครอบเป็นมาสูงแล้วมันค่อยเป็นไปความฉลาดมันเกิดมีมาเองมันอย่างพวกเราเมือนกันนั่นแหละ เด็กๆเนี่ยอายุตุนนี้รู้อะไรก็ช่างมันเถอะแต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องทำนั้นมันก็ยังมีอยู่นั่นเองมันขาดอุปกรณ์หลายอย่างบัดนี้เราเป็นลูกคนเราก็ไม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อคนแม่คนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่าอ่าผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้น คืออะไรเรายังไม่รู้ทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่เรายังไม่เคยเป็นครูเรารู้จักครูแต่ไม่รู้ถึงครูมันเป็นไซ่ยอย่างนี้เหมือนกันกับเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่ เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องเมื่อนอนมาฟันน่ะมันโยกน่ะเออคนแก่เป็นอย่างนี้นะนะเมื่อหลังงอเงอมคอเคนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มยู่ไม่รู้จักคนแก่รู้แต่ไปไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้หลักถึงตาก็ไม่สว่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็ง่อมไปแล้วนะรู้และออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จัก แต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักพรมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างใ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราตัววนันนี้ไม่พอไม่พอในฉะนั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียนต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นครูเป็นคนสอนคนเราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปขึป้นจนตลอดเป็นครูให้รู้จักอืม วิสัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นนักเรียนเนความรู้ทั้งนั้นแหละเนี่ยขึ้นไปวิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทําไมคนไม่เชื่อเราพูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่ค่อยเชื่อเราอะยังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่นักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้น ที่ยังไม่พร้อมเราควรแก่นั่นสินักเรียนการดีเลยยังไม่ดีอยู่สอบไม่เคยได้ดีความรู้ไม่ดีมันเพราะอะไรไม่ใช่ว่าบุญวาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทําเราเป็นยังไงการเรียนเราเป็นยังไงการขยันเราเป็นยังไงการเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปฮัผูกดวงอะ่ะมันติดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นไซนอย่างนี้สิจะ มันเป็นอย่างนี้ถ้าราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้นะ่ะมันจะกลมเพียวกับทมนมาอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปเราจะเป็นเ ป, นเปนคนเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้เพราะเราเพราะรุ่นทำรร ม, มา ก, ก่อนๆอันนี้ก็กไปแต่แก่แล้วถ้าเราทําไม่ดีกับพาลูกหลานของเราวอดวายแต่ไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะอืม ธรรมะนั้นน่ะเหมือนเกลือไอความรู้ของคนเราทั้งหลายนั่นเหมือนกัะเนื้อหรือปลามีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ในจะเกีบใบไม้ได้เพราะอะไรมันเน่าจะต้องมีเกลือใส่เข้าไปตะเก็ียบดบนานก็ได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มีเรียนรู้ก็ดีความรู้ก็ดีพูดก็ดีอธิบายก็ดีแต่ทําไม่ดี มีประโยชน์ไหมเออนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดส่วนตัวของเราล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้านเมืองของเราคิดถึงผืนแผ่นดินของเราคุณบุตรคุณอาทิดาทางเราทั้งหลายนั้นนะในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นอย่าไปว่าคนนั้นยังไม่ทําคนนี้ยังไม่ทําคนนั้นยังไม่เอาคนนี้ยังอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันหมดมันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่าย ในความดีมันเห็นได้ยากกต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่ก็เหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้แล้วก็ให้มันดีรู้ไม่ดีแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เหมืนกันเรามีกําลังนะเอาไปรบราค่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยเอาไปทำการทํางานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันตรภานแล้วก็เหมือนเอาไอ้อาวุธ ใส่มือโจรเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ไปตั้งในทุนพานแล้วทําอะไรให้วอดวายหมดความรู้สิไปตั้งในนักปราชญ์จะได้เป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุติตานี้เมื่อเราทําสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้ มันจะระความ โ, โดดลภโกรธวงงลงไปทีละน้อยะน้อยความเมตตาอารีเกิดขึ้นมามีความสามัคคีพร้อมเพียงกันถ้าอะไรมันสามัคคีพร้อมเพียงกันขึ้นมาแล้วนะมันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั่นในคณะนั่นในชาติที่เราเกิดมานี่ก็มีประโยชน์ห้ความดีของคนนั่นนะมันดีที่การกระทำดีนี้ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนหรอกหอบไปไม่ได้หรอกดาก็ดียศก็ดีส้นเสริญก็ดี เดหาสถานบั้นช่องก็ดีนะไอ้ความดีนี่เดี๋ยมันช่วยเราเราทําความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทําความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทําความดีอยู่เป็นต้นก็เจือจูนไปถึงุงปีหน้าต่ อ, ต อ, ตอไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉั้นั่นือนกันไม่มีอย่างอืน่นนอกจากทาําใจของเราเนี้ให้สงบนะครับอดทนเมื่อถูกอารอมณ์มาวุ่นวายมานิดๆนหน่อยๆก็อดทนนาว นะไ อ, ะอะความโกรธก็ดีมันไม่โกรธเยอะก็ตั้งปีก็ตังชาติแล้วมันโกรธไปเปลี้ยบไปราวถ้ามันหิวข้าวไปกินข้าวก็หายแล้วอือันนี้ก็มันกันฉันนะั่นอย่าทําตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดีโรงเรียนที่เราอยู่นั่นจะสมามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีล น, นี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรม การทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดดังก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมั่งกะละสิ่งที่มันผิดมันก็มาพูดสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมื่อมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นมาวันนี้พวกนักเรียนและครูทั้งหลายนั้นมาอบรมอ่าศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญา แต่ว่าจะหาว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาบินเวลาพักร้อนหรือเวลาอะไรต่างๆนั้นจะมาขออาศัยยวัดน้ำประโภคก็ได้มาทำกรรมฐานกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาสทีนี้แต่ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาตรงมาสร้างกำลังอัตมาไปยุโรปก็กมาฝึกมาฝึกกันอย่างนี้ มันบุ่นวายมากบ้านนั้นเออจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองเสรแล้วมันบุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานตัวหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งเขานั่งชนกว่าคนไทยเลยนะคนไทยเรานั่งไปถึงสามสิบนาทีลนะละแอยู่ทำไงนานไปฝึกฝ้ดังครั้งแรกสามสิบนาทีนะต่อไปอีกไปถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนะในชั่วโมงหนึ่งต่อไปอขออีก ชั่วโมงสามสิบนาทีมันนั่งกันดีนะเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรเขาดูจักเตประจิตเขามันหุ่นวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้วไปถึงที่โอ้โพวกนี้มากเหลือเกินพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลเนี่อยเบือ่อเบือเบ่อแลยวกนี้เบื่อแล้ยหาทําความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อไปไเอามาตั้งแต่ก็ทําดีนะเข้ามาทุกวัน เขาไม่รู้จากบันทะวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเรารู้จากบันทะวันเจ้าคือเขามาทุกวันนั่นเองเราบ่นกันมาเอ้ยไอ้ไอ้มึงนี่ไม่ดูจากบันทะวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเราคือเนื่องว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่ดูจักบันทะวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเราอีกมาทุกวันมันไม่คอยบันทามีเนี่ยนั่งกันไปแผลว่าผู้หญิงผู้ชายสงบระงับได้เข้าใจพูดเรื่องเรื่องจิตใจเข้าใจจิตสงบระงับมาก ไปคราวนี้ถึงสอ ง, สองเดือนกว่าอ่านะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากปีนี้ไอ้โปรยธรรมะได้ประโยชน์มากตั้งเป็นสาขาอยู่ในกรุงนันดอนหนึ่งสาขาแล้วกรุงปา ร, รีสหนึ่งสาขาแล้วได้สองสาขาแลยเมืองนอกน่ะจับฝรัง่งอะไรเขาอยู่นั่นเนี่ยหรือเนี้ยดีมากสนใจมากกําลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในในในโคลนมันก็จมจริงๆไม่รู้เรื่อง ไปเห็นพระไม่รู้จักวอกเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็พระมันมองมันมองจะคุณนั่นไปจะไปห้องสุขาจะไปห้องสุขาไปห้องสุขาผู้ชายก็มันไปไปห้องสุขาผู้หญิง ม, มันไม่รู้จักเลยนมันไม่รู้จักอันนี้ถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงจริงไม่รู้จักเลยไม่รู้จัก ไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่ดูเรื่องอืราอเราไปห่มผางก็ไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดตูงรังมันหนาวเราก็ไปโกนออกซะซ้ามันก็รักกั น, นมันก็ไปคนในทิศในทางเขาจะดูอั น, นตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไรท่านเป็นอะไรนี่ครับผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้ น, นที่คนมันเบื่อมาแสดงใหาความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมันกลับกันแด่สนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายเลย มันถึงศิลมันก็ไปทําสอนเนี่ยมันก็ไปทํามันเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้เพื่อนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรเนียมันพอเนี่ยมนหาคุณฆ่าสัตว์นั้นไม่มีหรอกตรงนั้นไม่มีอะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่จะไปจะไปนั้นเน่ยมันเป็นที่พี่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่อย่างถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระเจนี่ไม่มีแล้ว กระตายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฟุ้ฝูงนำนาเนี่ยบ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราโอ้ยมันมันดันกันไปเต็มยังกุฏีที่ควา ย, ยเนาะต้องยอแม่มันนึกทุกกันไม่ได้นั้นบากนี่เขาสอนความสงบไปเลยอ่าพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจเถอะตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นในพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากโรงเรียนเราจะสบายครูจะสบายใจนักเรียนก็สบายใจ คือว่ามันปล่อยมันวางให้กันมันให้อภัยกันมันมีเหตุผลในธรรมะไม่ใช่มีเหตุผลในทางโลกมีเหตุผลในทางโลกนี่มันไม่จบหลักมันไม่จบเหตุผลในทางธรรมนี่มันจบเช่นอาตมาตรายฟังว่าการทําความชั่วความดีนี่ทําแล้วไม่เสียหายทําแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทําที่ไม่มีคนเห็นไม่มีถ้าเราทําทําดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นนะ่ะคนไม่เห็นนราก็ดีอยู่ คนไม่เห็นอ่ะเราก็เห็นเราเราก็เป็นคนเราทําดีอยู่เราเห็นอยู่นี่มีอาศัยความดีอย่างนี้เราทําความชั่วคือมันกันมีคนเห็นอยู่ถ้าคนอื่นมาเห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ยเหตุผลอย่างนี้มันหนีไม่ได้แล้วมันต้องทําดีทั้งนั้นเนี่ยอืถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้นเอาลาววันนี้การอบรมสินอบรมสมาธิอบรมบปัญญาถ้าหากอยาจะทําสมาธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทําแบบนี้ ถ้าหากว่าใครสนใจมาโดยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าสมาธินี้คือความตั้งใจมัน่นใจมั่นอะไรไปที่ไหนเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียนมาจากโรงเรียนทำการงานอย่าลืมความตั้งใจมั่นนะใจมัน่นอะไยใจมั่นจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำความเหเลียวแหลกอันใด แก่ตนเองแก่บุคคลอื่นนี่เดียวว่าสมาธิยืนไปก็ให้พิจรารณานั่งกปฏิญาณาอยู่ที่ไหนก็ให้รู้จักตัวอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าบัดนี้เราคิดอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทําผิดหรือเราทําถูกเดียวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปด้วยพิจารณานี่เป็นสมาธินี่เดียวกันแบบพุทธิบัติธรรมอันนี้แหล่โอกาสทั้งหลายนี้ที่กราบมานี้ขอฝาก ครูทั้งหลายได้นักเรียนทั้งหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการกับเวลาแล้วผล ท, ที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรัทธานําตัวเองมาและก็นํานักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยดี ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะกานทำให้เรานะไม่ว่าจะครูนะหรืออาตมานะอาตมาอบรมให้เพียงแค่นี้การกระทําเป็นของขั้วครูและนักเรียนทางไหนที่จะทำเอาเองถ้าหากอาตมาอบรมแล้วก็อบรมตัวของเราต่ อ, ตอไปนักเรียนทุกคนก็ฉันนั่นเหมือนกันขอฝากธรรมะอันนี้ขอฝากการกระทามา น, นี่ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ปฏิบัติอันนี้ ม า, มาฟังธรรมแล้วจะต้องมีธรรมะติดไปให้มันเกิดประโยชน์ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ท่านเะนี่ยท่านจนทำอย่างนี้ท่านจนทำอย่างนี้เท่านี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเองเป็นอย่างนี้ หากว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่านั้นไม่ทําตามมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันเท่า น, นั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสอนไว้ในใจของเจ้าของยืนอยู่ที่ไหนว่าระลึกอย่างไรเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เราทาอะไรอย่างไหรอย่างนี้ที่เราทําเรื่อนี้เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันผิดหรือถูกไหมชอบไหมหรือไม่ชอบไหมต้องรู้จักเจ้าของต้องสอนเจ้าของอยู่อย่างนั้นนี้ทาำดีก ว, ว่าเป็นคนมีเจ้าของ เป็นคนมีที่พึ่งมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีประสงค์เป็นที่พึ่งถ้าคนไม่มีสติสันปัญญาตรวจตาดูอยู่อย่างนี้แต่เนื้คนไม่มีเจ้าของคนหมดเจ้าของเห็นไหมคนเป็นดุกษัตร์อยู่ตามตลาดเห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของเนะี่ยไปพกกระสองมัาหอบเอาไปพบค้าขาดมาต่อหอบ มันยิ้มไปตลอดเวลาของมันมันเติรนอยู่มันสรุกสนานประกนอยู่ในเบื้องบนนั่นคือคนไม่มีเจ้าของให้เป็นคนมีเจ้าของถ้าพูดคำหยาบเพราะว่าคนเป็นบ้าอ่านี่สยสตินี้การไม่มีสติการไม่รู้จักเจ้าของมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นแทนจงระลึกได้ว่าวันนี้เราไม่อบรมวัดหนองปลโพงแล้ว ไอมีอะไรติดตีนติดมือไปติดติดจิตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เนี่โอกาสเวลาก็พอสมควรโดยอำนาจของประฉิยรัตนาตรัยคือประพุติหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งจงปกปักรักษาของพวกท่านทั้งหลายผู้มีอารมวันนี้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังสัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบ รังับด้วยขอวัดปฏิบัติกันถูกต้องขององค์สมดิตฐประชมาสัมพุทธเจ้าพ้นที่สุดนี้ขอพวกท่านทางนายทางครูด้วยทางนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในนาทีการงานของตนทุกๆคนเถอ